ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เรื่อง ลิงบริเวณป่าใหญ่แห่งหนึ่งกตัญญูบริเวณป่าชาตินั้นแห่งหนึ่ง มหานันทิยะส่วนพระสารีบุตรเกิดเป็นลิงตัวน้อยชื่อจูรนันทิยะลิง แต่ได้มอบหมายให้ลิงตัวหนึ่งนําแม่ลิง แม่หรือว่าแม่ไม่ชอบได้กินผลไม้ที่ลูกส่งมาให้เหรอนั้น เพราะมัวแต่ดูแลบริวารให้ได้รับความ น้องช่วยดูไม่มีเวลาดูแลแม่แน่เลยบริวารแม่ก็แก่แล้วพี่ด้วยนะพี่จะลา ก็อย่างงั้นน้องก็สละหัวหน้าฝูงกัน จากนั้นมา 3 แม่ลูกก็อยู่ด้วยกันอย่าง มีความรู้สึกสบายใจยิ่งนักใจยิ่งนักและ ออล่าออล่าพอล่าพอล่าเอ่อรามหนุ่มคนเออ ลูกน่ะเป็นคนใจร้อนจำคำพูดของพ่อ ไอ้โชคดีนะครั้นกลับมา เขาจึงตัดสินใจยึดอาชีพเป็นพรานเนื้อ พอเออโยมแล้ววะเขาเป็นคนทําบาป อยู่มาเราไม่สามารถยิงสัตว์ป่าได้เลยเขารู้สึกหัวเสียนับว่าเป็นวันที่เค้าโชคร้ายเฮ้ย ต้นไสอยู่ข้างหน้าโอ้โหมีลิงทั้ง 3 ตัวเลย แมลิงแก่กำลังนั่งกินผลลำไยอยู่บนกิ่งต้นไทรพอดีวันนี้เกือบทั้งวันยังไม่ได้เนื้อสักตัวเอาละวะลิงแก่ก็ลิงแก่หว่ะเนื้อมันก็กินได้เหมือนกันดีวะหึตะหนูง้างละวะยิงละมึงเอ๋ยเดี๋ยวเถอะเอ้ยเร่งให้มันเร่งให้มันไปน่ะน่ะลาด เอาละวะอ้าวไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอย่ายิงแม่ของข้าเลยอะไรอย่ายิงแม่น้องรักพี่ฝากแม่ด้วยนะเลยดีกว่าข้า ได้เลยมามาเอาละตรงนี้สะดิดดีเอาล่ะนี่ เอาอีกแล้ววะฮะมาอ้าวขวางฮะล่ะฮะมามีลูกดีทั้งสองตัวตัวฮะงั้นก็ได้นี่ฮะ ก็ยิงลูกธนูใส่เต็มมึง ขนาดที่เขาหาบลิง 3 แม่ไป เกิดเหตุฟ้าผ่าบ้านแล้วมีไฟลุกไหม้ครอกเมียนี่ รู้มากไฟไหม้หมดแล้วระบาดของทันน่ะลูกแล้วเมียก็ยังหนีมา ไม่สามารถจะควบคุมสติไว้ได้ทิ้งหาบวิ่งเขา ได้แยกออกแล้วดูดร่าง ผู้มี